พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพุทโธวัดอันนี้หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะคือสิ่งที่ท่านตรัสออกมาแล้วก็นํามาเป็นความสวัสดีกับท่านทั้งหลายจากการที่ได้ฟังรายการนี้สัสนสีสนทนา ด, ดําเนินรายการโดยสัสนสีหน้าพงและก็ตอบคําถามโดยนําคําของพระศ า, าสดาดังกล่าวนั้นมาตอบ น, น, นะคะโดยพระมหาใบบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายศกอุดรธานีนมัส ก, การทันนคะเชิญพานค่ะ ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนท่านแล้วก็เรียนท่านฟั ง, ฟงทั้งหลายด้วยนะคะว่าดิฉันกำลังจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกใช่ใชในเดือนนี้ค่ะซึ่งคอร์สจะเริ่มวันที่ยีสบเอ็ดใช่ไหมคะถูกต้องยี่สิบเอ็ดกุมภาพันยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ถึงวันที่หนึ่งมีนาคมหมีนาคมใช่ค่ะถ้าเกิดใครเดินทางไปปฏิบัติครั้งนี้เราก็จะได้พบกัน ส่วนใครยังไม่เคยไปดิฉันจะมาเล่าให้ฟังค่ะ <laughs> ท่านแล้วก็ อ, อยากจะให้ข้อมูลนิด น, นึงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนคือถ้าท่านผู้ฟังอยากจะดูรูปภาพหรือว่าตารางเวลาเมื่อไรอะไรยังไงเนี่ยต้องไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่ง <c oughs> ก็คือเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซแต่อยู่ที่ wp <c oughs> ย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ d hs ย่อมาจากดอ so. นไฮโศมีทั้งหมด5ตัวอักษรคือ wpdhs Org. อทโ น, นี่จะเป็นเว็บไซต์ของของวัดที่เราจะไปสมัครออนไลน์ก็ได้ดูข้อมูลต่างๆได้ที่นั่นจำง่ายมากเลยนะคะคือถ้าเข้าใจว่าภาษาไทยกขคงเนี่ยแทนด้วยเสียงภาษาอังกฤษอย่างใดก็แทนไปในแต่ละพยางค์เลยวัดป่าดอนหายโศกดอทออันนี้ต้องจำหน่อยหนึ่งดอทอค่ะจะได้ไปถูกทำให้สะดวกมากนะคะ อย่างกลับที่จะไปครั้งเนี้เดี๋ยนก็ชวนเพื่อนไปด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้มีเวลาคุยกันมากเดีย๋ยวนก็บอกอ่ะศึกษาจากเว็บไซต์นี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจกันได้ละ ใ, ให้ไปสืบคนเราเองอเช่นเดียวก็จะบอกว่าท่านผู้ฟังไม่ใช่ทอดทิ้งนะคะอันนี้ยตอบแบบสมบูรณ์เลยแล้วแต่อยากจะทราบอะไรที่อ่าเว็บของวัดป่าดอนไฮโซเบื้องเบื้องต้นก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเล้นปฏิบัติสักนิดหนึ่งแต่ว่า คำว่าหลีกรันเนี่ยเป็นศัพท์ทีพ่พระชุทธาใช้แต่ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยได้เคยไปหลีกรนอยู่เรื่อยๆนะนะเช่นบางครั้งรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกรั้นอยู่ผู้เดียว น, นี้เป็นศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยมากหลีกรันอยู่ผู้เดียวหลังรับประทานอาหารแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆสัก4ี่ห้าโมงบ่าย 3, บ่โมงก็ออกมาจากที่หลีกรั้นนะแล้วตอนที่ไปหลีกรนนี่ไปทําอะไร แตนะ่ตอนที่เป็นหลีกเรนเนี่ยไม่ได้คุยกับใครนั่งอยู่คนเดียวมองใบข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวามไม่เจอใครไม่รับแขกไม่เดือดรังสิ้งนนะีเพื่อที่จะอยู่เป็นสุขให้อยู่สงบเนะีเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนะี่ยคือ2ประเด็นละ่ะคือ1เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังแล้วก็2เพื่อที่จะหาความสุขอยู่ในภายในของตัวเองนะีแล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ครึ่งวันนะีไปทํา3วันบ้าง7วันบ้างเดือน1 ห, หรือถึงกับ3เดือนก็ยังเคยทํา ไปก็ไปเดวัติที่เราวันหลีกเรเงนที่นี่ว่าในในการหลีกเรเงนเนี่ยถ้าเราจะไปทําแบบสมัยที่บรรพช้าทำไปอยู่ป่าอย่างที่ครูบาอาจารย์ก็ได้พาทำมาเช่นหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวหรือว่าหลวงปู่เทศอย่างเงี้ยท่านไปอยู่ป่าอยู่อะไรเปหลีกเรเงนของท่านเนี่ยซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มีพื้นที่ที่ใช้ให้เราไปทําอย่างนั้นแล้วก็เลยเได้ใช้สถานที่ที่วัดป่าดอนไหฮโศกนี่แหละในการที่จะมีลักษณะการหลีกเรเงนตรงนี้ นั่นก็คือการไม่สื่อสารกันไม่พูดกันแล้วก็ปฏิบัติกันเต็มที่นั่นเองก็ถ้าหากว่าไปมาแล้วมีแง่มุมอะไรจะมาเล่าให้ฟังสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปยังจะพยายามสรุปมาให้ก็แล้วกันค่ะตัวเองเนี่ยสงสัยอยู่เรื่องเดียวท่านคะอตอนนี้คือสังเกตว่าตัวเองอะจะเป็นคนที่นั่งนานยู่นานอย่างเงี้ยชอบปวดกระดูกแถวคอยอย่างเี้ยค่ ะ, ะจะเป็นอุปสรรคกับการไปหลีกเล่นมากไหมคะอะนี้มีพุทโพปศ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสตวาย เนี่ยว่าเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเนี่ยไปอย่างเช่นอยู่ในเรือนบ้างแล้วเนี่ยก็ให้กายเนี่ยตรงข้อตรงหลังตรงนืงคือถ้าหลังกับคอเราตรงกันเนี่ยมันจะทําให้มีผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะยาวนื่องเพราะว่าน้ําหนักของคอของเราเนี่ยมันก็จะตกลงที่หลังหลังก็จะตกลงที่กระบงังกระดูกเชิงกลานเนี่ยก็จะทําให้ลดภาระของกล้ามเนื้อที่จําอรับน้ําหนักอันนี้เราเปลี่ยนท่า น, นิดหน่อยก็คงจะแก้ไขได้นะคะไม่น่าจะเป็นอุปสรรคปัญหา เมื่อวันนี้เนี่ยตอนที่ได้สนทนากับท่านเรื่องของเทศกาลตรุษจีนแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าสามารถจะอนุมาณเข้ากับขับสอนของพระศาสดายอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะทีนี้ดิฉันก็เกิดรู้สึกชอบคํากล่าวที่เพื่อนก็ส่งมาให้ทางไลน์แล้วมีความรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับธรรมะได้บ้างก็อยากจะมากล่าวเรียนถามท่านน ะ, นะคะว่ามีธรรมะ ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้อย่างไรเกี่ยวกับคํากล่าวที่เพื่อนดิฉันส่งมาให้ดิฉันดิฉันชอบมากนะคะคือเขาส่งมาว่าตอนวันวนเนาเลนไทน์นะคะเขาส่งมาว่าทําตัวให้เล็กทําใจให้กว้างอืมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเป็นคําพูดที่เขาอผูกขึ้นมาให้มันไพเราะสลัสร้อยนะค่ะอะถ้าเราจะตีความตรงนี้ก่อน เราจะค่อยจะไปถึงสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เอาโดยอัถาก่อนแต่ว่าถ้าโดยอัฐาที่จะเข้ากับสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทำตัวให้เล็กเนี่ยในความเข้าใจของอาตมานะก็คือหมายความว่าคุณจะไปเป็นมีตัวอัฐตฐาตัวตนเนี่ยเห ม, มันไม่ได้เราจะต้องเห็นความที่เป็นอนัตตาแต่ว่าทำตัวให้เล็กคือหมายความว่าให้ลดตัวตนลงแตให้เห็นความที่เป็นอนัตตาให้มากขึ้นข้อที่2ทําใจให้กว้างนี้อาตมาคิดว่ามีจิตเหมือนพรม มีจิตที่เป็นมหากตามีจิตที่มีความกว้างขวางมีเป็นผู้ใหญ่มีความเอินดูคือต้องมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาและเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นบาปุจจ้าได้แบ่งความสุขออกเป็น2อย่างที่ไม่ควรเสพก็อย่างหนึ่งที่ควรเสพก็อย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนพอเราเห็นความเป็นอนัตตาเรามีจิตเป็นพรมแต่เราจะเข้าถึงความสุขในส่วนที่2ที่บาปุชาให้เสพมากขึ้นได้นั่นคือความสุขที่เกิดจากในภายในและเป็นความสุขในใจ แตนะ่ซึงความสุขในใจเนี่ยมันดีกว่าความสุขเช่นว่าเรามีชื่อเสียงหรือเรามีเงินทองมากเนะีเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันจะไม่ได้เสื่อมไปง่ายเหมือนกับสิ่งภายนอกแล้วก็เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็เอาไปกับของเราไปไม่ได้นะี่ยคือไม่เป็นสาธารณะกับคนอื่นนะี่ยสาธิต บ, บุพราชใช้จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าในข้อความนี้มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนของบุพราอยู่เนะี่ยตัวอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคุณโยมติว เพราะว่าเราฟังเรื่องอะไรก็ตามใครกล่าวคําใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราหาจุดที่มันจะมันลงกันได้กับสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันจะเป็นการดีเพราะว่าคนเรามันความสามารถไม่เท่ากันแต่คือคือแน่นอนพระพุทธเจ้าในความสามารถมากที่สุดละแต่คนที่มีความสามารถรองๆองลงมาเช่นท่านภาษารีบุตรท่านพระหมหากระชานะเนี่ยเวลาที่ท่านเอาธรรมะไปกล่าวต่อบอกต่อเนี่ยท่านสามารถกําหนดบทเพียนชนะได้ได้เนียบได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าบอก แตโดยทั้งโดยเรื่องอัฏฐะด้วยโดยเรื่องพยัญชนะด้วยแต่คนที่จะมีความสามารถเท่าท่านนี้ก็ก็จะมีบ้างแต่ทีนี้คนเราความสามารถไม่เท่ากันอย่างเดียวมาว่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องอัฏฐะนี่ก็ขอให้มันได้ในเรื่องอัฏฐะในการที่เราจะาพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเราฟังเวลาที่คนเขากล่าวสิ่งใดเนี่ยเออฟังอันนี้มันเข้าท่าดีเราพยายามที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทันตี นะกลับมาที่ตัวแม่บทในที่นี้ก็คือคําสอนของพุทธะว่าโอ้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้เดีนะ๋ยวเายิ่งถ้าเรากําหนดบทเพียญชนะให้มันเหมือนได้มากเท่าไหร่แม้นี้จะเป็นความดีความงามของเราแตนะ่เพราะว่าตรงนี้มันจะทาให้าศาสนาไม่เสื่อมังนะจะทำให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสื่อมเพราะว่าทุกคนที่ศึกษาก็จะกลับมาที่ตัวแม่บทเสมออย่างน้อยไม่ได้โดยเปลียนชนะก็ขอให้ได้โดยอัดในะโดยความหมาย อ๋อความหมายตรงนี้หมายถึงเรื่องนี้ความหมายตรงนี้เป็นเรื่องนี้ในที่มันเป็นไปนในตานที่มันจะเหนือโลกที่มันจะไม่ถูกรึงรัดรัดรึงด้วยสิ่งที่เป็นโลกๆนี้ได้นะศาสน า, าเราจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน <Okay. S 1> แล้วก็เวลาที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ไปพยายามที่จะหาข้อผิดพลาดในคําพูดของคนอื่นนะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราจะหาแต่สิ่งที่เหมือนกันเพราะเราหาแต่สิ่งที่เหมือนกันมันจะลงกันได้เราจะสบายใจนะจะเข้ากับคนอื่นได้ทีเดียว ก็เท่ากับว่าทำตัวให้เล็กทำใจให้กว้างจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยถ้าเอาคำของพระศ า, าสดาซึ่งจะเหนือกว่าตรงนี้นะคะเพราะว่า อ, อันนี้เป็นคำพูดของคนธรรมดาถูกไหมคะมแต่อะไรก็ตามก็สอดรับกับธรรมะที่พระศ า, าสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าเรื่องอัตราตัวตนนี้พระพุธองค์ให้ความสาคัญมากใช่ไหมคะถ้าลดมันได้และถ้าทาใจให้กว้าง คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้ปะคะที่ท่านพูดถึงเรื่องพรหมก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าเป็นผลของการปฏิบัติ ด, ดังนี้ตามคำสอนของพระศาสดาเพ่เพ่เพ ไ, urg, ไม่เพียงแต่ว่าเอาเป็นแบบปรัชญาอย่างที่พูดมาผลจะสูงกว่าไหมคะจะออมาในลักษณะที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแต่บริชายใช้คนี้คือตัวบรงเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ ออกมาแล้วยังไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าได้ค่ะอันนี้คือบทที่เราสวดอยู่เป็นประจำนะในบทอิติปิโสในคือที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าใช่ใช่ตรงนี้แหละค่ะปุริสธรรมสารถเป็นสารถที่ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าแล้วก็มาสัทธาเทวนุสานังใ ช, ใช่คะ่ะคือคือค อ, ออกมาแล้วเนี่ยคือมันจบเลยมันไม่ได้มีอะไรที่ต้อง ไปฝึกต่ออีกแล้วนี่คือไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้คือหมายถึงตรงนี้ค่ะงั้นก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเราปฏิบัติในลักษณะนี้ก็คือปฏิบัติตามธรรมที่พระศ า, ศาสดาสอนไว้นั่นเองใช่แล้วอนาัตตานี่ก็โหสุดยอดแล้วคือถ้าใครเห็นความเป็นอนัตตาได้เข้าใจตัวตนของเราได้อยู่อย่างถูกต้องว่ามันไม่มีค่าอะไรที่จะไปยึดถือได้นั่ น, นคือความที่สิ้นราคะโทสะโมหะนะนั่นคือความที่สิ้นทุกทั้งหมดเลยนะค่ะอดิฉันเนี่ยก็อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่จะมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีตำแหน่งแล้วก็มาไม่มีตำแหน่งหรือไม่ค่อยได้มีตำแหน่งใหญ่ก็ขึ้นไปมีตำแหน่งใหญ่นี่อยู่มากมายและที่ฉันเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะคะก็มียศมีลาบมีเกียรติก็ว่ากันไปบางทีเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องพูดเป็นพิธีกรบ้างอะไรบ้าง ซึ่งดิฉันยังถือว่าดิฉันก็มีความสุขที่จะทำอย่างนี้ น, นะคะมแม้บางทีอยากจะพูดเหมือนกันว่ายิ่งองไปงานศพเลยคะ่ะสิ่งที่อยากพูดมากคืออยากจะกล่าวว่าหลายคนที่มาอยู่ที่นี้ก็หลากสมมุติมสมมุติบางสมมุติเป็นสมมุติที่มีเกียรตินะคะเป็นสมมุติที่น่าภาคภูมิใจแต่มาถึงวันนี้เรามาในงานที่เราจะได้เห็นว่า เรามีสมมติเดียวกันในเวลาที่สุดของทุกๆคนก็คือมันเกินแล้วต้องตายใช่ความควา ม, ความตายนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่สมมุติขึ้นมา <c oughs> เพราะว่ามันมีเหตุของสิ่งนี้ก็คือการเกิดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าท่านพูดแบบนี้แม่ดีเลยค่ะทำไมท่านจึงบอกว่าความตายเป็นสมมติเพราะบางคนที่ฟังที่ทนพูดอยู่ และดิฉันก็เคยพูดด้วยว่าไอ้ความตายนี่คือความจริงแต่ท่านกําลังพูดว่าคือสมมติอที่บอกว่าเป็นเป็นเรื่องสมมุตินี่เพราะหมายความว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้นะคือของที่ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างคงที่คงทนถาวรเนี่ยเราสมมุติเรียกมันเฉยๆเช่นว่าคนที่เป็นแม่อย่างนี้เป็นต้นนะค่ะคุณเพิ่งเกิดมาเป็นเด็กสาววัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยคุณยังไม่เป็นแม่แต่ก็ต่อเมื่อคุณมีลูก นะคุณถึงจะเป็นแม่เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเมื่ อ, อไรเมื่อมีลูกนะแต่ถ้าก่อนไม่มีลูกคุณจะไม่เรียกแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็สมมุติด้วยคอนดิชันด้วยเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคุณถึงจะสมมุติเรียกมันขึ้นมาถูกไหมค่ะเ <c oughs> ช่นเดียวกันลูกเอาก็ต้องมีแม่เกิดมาแต่ว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆริงไหมเกิดขึ้นจริงๆตายเนี่ยมันตายจริงจริงไหมตายจริงๆแต่ว่ามันเป็นคำที่สมมุติที่เราเรียกกันขึ้นมาเพราะว่ามันมีเหตุเกิดนะนีคืออสมมมมุติาายหายถึงนะ แต่ที่คุณคำว่าจริงๆที่คุณยมติวหมายถึงเนี่ยคือมันตายกันจริงๆแล้วมันเกิดกันจริงๆอันนี้อะไมาเห็นด้วยอยู่แต่มันตายจริงๆเกิดจริงๆแต่ไอ้คาเรียกหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสมมุติเพราะว่าเราออกจากสมมุติได้เราออกจากการเกิดได้เราออกจากการตายได้เราพ้นจากตรงนั้นได้ไงค่ะอถ้าพูดมาถึงตอนนี้ท่านก็ต้องอธิบายต่อแล้วครับเพราะว่าบางคนก็ยังเข้าใจไม่ได้ว่าออกไปได้ยังไงมันตายแน่ๆก็เห็นอยู่ค่ะก็คือเพราะว่าเหตุ แห่งการตายในเหตุห่งการตายคือการเกิดถ้าเหตุแห่งการตายไม่มีการเกิดก็จะดับไปเนะเช่นว่าถ้าเราพูดถึงรถยนต์คันหนึ่งนะหรือว่ารถยนต์คันหนึ่งนี่แหละนะถ้าสมมุติว่าวัสดุที่มาประกอบเป็นรถยนต์เช่นเขาเอาเหล็กมาประกอบเอากระสอบมาประกอบเอาเอาพลาสติกเอาทองแดงอะไรพวกนี้มาประกอบก็ประกอบเข้าวเป็นรถยนต์คันหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันไม่มี เหล็กไม่มีตะกัวไม่มีกระจกไม่มีหนังไม่มียางเนี่ยมันก็จะความบริหารรถยนต์ก็จะมีไม่ได้นีซึ่งอันนี้ก็คืออันเดียวกันแต่ถ้ามีรถยนต์มีไม่ได้มันจะไปพังได้ยังไงมันก็จะไม่พังแตเช่นเดียวกันถ้ากายของเราแต่กนะายของเรามันมันมีมันจะต้องตายนี่แต่ถ้าเหตุแห่งการที่มันจะมีกายไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีความตายเพราะฉะนั้นก็จะพ้นได้เราก็จะต้องมาทําความเข้าใจตรงเนี้ยเพิ่มเติมเพราะว่า ในในการที่เราจะมาทําความเข้าใจด้วยการที่คิดเอาอย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากภูริยาบอกไว้ซึ่งมันจะต้องอาศัยการที่เราทําสมาธิด้วยการที่จิตของเราอยู่มีศรัทธาด้วยการที่เรามีศีลด้วยพิจารณาใคร้ควรไปเนี่ยความจําแจ้งมันจะมีก็ได้ค่ะแต่ทีนี้สมมุติว่าเป็นคนฟังแล้วเข้าใจเลยล่ะอืมท่านคะมันเป็นไปได้ไหมคะที่คนบางคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจจริงเนาะถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายสิ อ, อย่างเงี้ยถือว่า คนนั้นพิเศษแตกต่างกว่าคนอื่นหรือไม่หรอกมันยังไงก็ต้องไปปฏิบัติถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแท้จริงคะ่ะความความเข้าใจก็จะมีอยู่อยู่3ระดับใ น, ในระดับแรกก็คือว่าคุณเข้าใจตามที่เขาเขาบอกมาเนะ่ยเช่นบางคนพระพุทธาพูดก็เชื่อเลยแต่โดยที่ก็เชื่อเลยแหละ<ช>ก็กว่าอลยล่างนี้ก็ว่าอย่างนี้แหละนี่คือระดับที่1ก็คือเป็นความเข้าใจตามเขาแลนะนี่คือ ค, คือระดับที่1น่ง ความว่าใช้ที่ระดับถัดมาก็คือว่าเข้าใจจากที่ตัวเองวิเคราะห์เอาเองหลังจากการที่เราวิเคราะห์เอาแต่เราเห็นตัวอย่างสามารถ apply ได้ไม่ใช่เฉพาะตามที่บัพปุชาบอกแต่ยังเอามา apply ไดต้ตัวอย่างเรื่องนี้มีในสมัยพุทธกาลคุณโยมติว๋วบัพปุชาไต่ขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักผู้แกนี้นะพูดใหม่แค่นี้น ะ, ะ ค, นนะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักแต่พอนางมลิกาได้ยินคนํานี้ก็เชื่อเลยโอ้ใช่ใช่ความโศกเกิดแต่ความรัก จริงแน่นอนพระพุทธเจ้าตัดไว้ <Okay. S 1> อันนี่คือความเชื่อระดับที่1แล้วก็ถูกรพระชาติเพรสเซนต์นิโคสอว่าล่ะโอ๊ยทําไมเชื่อง่ายขนาดนี้เ น, นไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าเป็นสาวกฟังคําศาสดาก็เชื่อเลยถูกด่าขนาดนี้ก็เลยไปสอบถามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เอธิบายให้แต่พออธิบายเนื้อความปุ๊บตัวเองมีความเข้าใจแล้วเอามาแอพพลายได้เอามาแอพพลายโดยการที่บอกพระชาติเพรสเซนต์นิโคสอนบากอันท้งลูกของพระองค์ตายจะเกิดความโศกไหม เอาเกิดสิเอาก็ได้ไงเพราะว่าตัวพระองค์รักลูกนะก็เอาไปอพพลายได้แตนะทีนี้ในขั้นที่สามที่สูงขึ้นไปอีกนะคือไม่ใช่แค่คิดใคร่ครวญทางสมองแต่ว่าสามารถเอาเข้าสู่จิตใจได้นะให้เกิดความน่ายความคลายกำหนิดและความปล่อยวางได้อันนี้คือระดับที่สามคือเอาจากสมองเนี่ยให้เข้าสู่ใจนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในแต่ลระดับของของแต่ละคนมันก็จะจะไม่เหมือนกันอันนี้แต่มาก็ไม่ทราบว่า คุณจะมีอินซีแก่กล้ากันขนาดไหนนะความเข้าใจลึกซึ้งอย่างไรค่ะเ<ม>ล่นเข้าใจว่าอย่างกรณีที่ฟังปุ๊บเชื่อเลยนั่นอย่างหนึ่งต้องเป็นการศรัทธาผู้พูดกันนะคะใช่ใช่จะมีความรู้สึกกับผู้พูดเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วต้องใช่อ่าก็ก็คืออาจจะสองกรณีคือหนึ่งไม่ใช่ว่าอาจจะคุณศรัทธามากมากนี่ก็กรณีหนึ่งหรือว่าคุณคุณก็คือหูเบามากมาก อ น, นี้ก็เป็นกรณีที่สองได้อันนี้เป็นเชิงลบหน่อยอ่าใช่นคนหูเบาไม่มีปัญญาอ่าก็คือเชื่อตามเขาเลยแล้วก็ ค, คือตามประสบการณ์ของคนอื่นอันนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ที่สองนี่ก็คือมีการไครล่กลวนคิดวิเคราะห์ของตัวเองค่ะแล้วข้อที่สามนี่มันจะเข้าสู่ใจได้เนี่ยก็แต่เมื่อเราเจอกับตัวเองเดีฉันได้ยินพวกปฏิบัติธรรมอะคะ่ะจารย์บาบางคนเนี่ยนะคะเราพูดธรรมะของพระาศาสดา ที่สอนไว้เนี่ยอืจะไม่เชื่อเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เรียนหนังสือสูงๆอ่ะคะ่ะแต่ว่าวันหนึ่งก็จะค่อยบอกว่าพอไปปฏิบัติเนี่ยเริ่มเชื่ออืมคือมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเดินเดินรอยตามพระพุทธองค์นะคะว่ารู้เองรู้จากการปฏิบัติใช่ใช่อารมาก็เป็นตัวอย่างในคนประเภทนี้นะ่ะตอนตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยเชื่อคือแบบ เฮ้ยนี่มันจะมีเหรอภูมิน่าชันน่าเฮ้ยนรกสวรรค์ว่าอย่างงั้นมันจะมันจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ตั ว, ต, วตัวเองก็ยังไม่ลงใจร้อยเปอร์เซ็ตแต่นี้พอมาศึกษา ม, มากขึ้นแต่โหปีแรกตอนที่เรามาบวชใหม่เนี่ยคําถามเยอะมากคุณยมติว <c oughs> ถามพระพี่เลี้ยงที่วัดบวรเนี่ยถามจนท่านเซ็งไปเลยอ่ะก็ถามอะไรนักหนาอย่างนี้นน <c oughs> หรอเปลถามอะไรนักหนาถามครั้งเดียวเนี่ยถามสามคำถามก่อนรวดเลยนะในขณะที่ท่านกําลัง มีเมตตาบอกสอนเราตอบคําถามแรกให้คําถามแรกยังตอบไม่เสร็จจบคําสุดท้ายเนี่ยคำถามที่สี่ห้าและหกยิงไปแล้วเนี่ยโอ้ mm hmm. เป็นคนที่เช่าคําถามมากด้วยมาเองนะ mm hmm. ทีนี้พอมาอยู่ที่วัปดป่าดอไหนโตกปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นคำถามันก็ค่อยลดไปลดไปมีความเข้าใจมากขึ้นนี้่นั่นเป็นเพราะว่าไ อ, ไอตัวความงงความมึนของเราเนี่ยมันมันค่อยๆลอกออกแต่คือความมึนของเราเนี่ยนะ ถ้ามันไปติดกับเรื่องอะไรมันมึนเรื่องนั้นด้วยความสงสัยของเราเนี่ยนะความสงสัยสมมติมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งเป็นเม็ดเม็หนึ่งนมันไปติดกับเรื่องนี้เรื่องนี้คุณได้ยินไอเรื่องที่คุณได้ยินคุณสงสัยไปด้วยเรื่องนี้คุณคิดอยู่ในกับสงสัยไปด้วยมันไปติดอะไรมันสงสัยไปหมดทีนี้ถ้าเราเอาเคลียเม็ดสงสัยนี่ออกเคลียรเม็ดงงนี่ออกมันมันไม่มีรากที่จะให้สงสัยไม่มีรากที่จะให้งงเพราะฉะนั้นไอเราจะทําตรงนี้ได้คุณก็ต้องสมาธิ มีการปฏิบัติที่ฝึกการปฏิบัติที่เป็นปรูปแบบด้วยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแทําอย่างต่อเนื่องด้วยมีความอดทนมีการฝึกให้มีความชํานาญอันนี้ก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้คอันนี้คือคําตอบสําหรับคนที่เชื่อยากนี่ต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นผลอย่างที่พระพุธทธรได้ตรัสเอาไว้ว่าธรรมะของพระพุธทธองค์นั้นมีไว้เพื่อการปฏิบัติตูกต้อง สันทิติโกอากาลิโกนะคะไม่จํากัดการเอหิปัสสิโกเชิญเข้ามาพิสูจน์แล้วก็โอปัอ น, นัยโกกวนน้ำเข้ามาใส่ตัวน้ำเข้ามาใส่ตนปัจจตังแปลว่ารู้ได้เฉพาะตนนะคะถูกต้องค่ะประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าเอ่อพอพอเราแปลามาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นลักษณะของความรู้ที่อยู่ในสมองเท่านั้นแต่แต่ถ้าบอกว่าเราใช้ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ย ยานคือความรู้ที่เกิดจากปัญญาเนี่ยเขาเรียกปัญญาญาณเนี่ยน ะ, ะเป็นความรู้ที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นนะซึ่งซึ่งในในรูปแบบของภาษาเราจะเข้าใจตรงนั้นได้เลยนะว่าจะเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นหมายถึงว่าท่านกำลังจะบอกว่าคําว่าปัญญาเนี่ยในทางถ้าเป็นศาสนาก็จะต้องเป็นคําว่าญาณถูกต้องญาณเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยมันคือความรู้ทาให้เราไปสับสนกับคำว่า knowledge ในภาษาอังกฤษ knowledge ในภาษาอังกฤษก็คือข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในสมองนั่นไม่ใช่ญาณนั่นไม่ใช่ญาณนั่นมันแค่ความจํำเฉยๆมันคนละอันกันค่ะก็เท่ากับว่าไอ้คาว่าความรู้ของเราในจริงๆแล้วมันยังไม่ได้แปลว่าความรู้สิคะที่ท่านพูดมันไม่ได้แปลว่าญาณไม่ได้แปลว่าปัญญาถูกต้องนะคะความรู้กับปัญญาไม่เหมือนกันก็คแต่ถ้าจะมาจะบอกว่าญาณเขาไม่ได้แปลว่าความรู้มาก็พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันมันต้องแปลว่าความรู้มันถึงจะถูก แต่แตเราไป ม, ม, มันใช้ความหมายสับสนกันนิดนึงก็เลยต้องอธิบายให้เข้าใจกันล่ะรู้อย่างไรไนะคะซึ่งเิฉันเองเนี่ยมีอาจารย์ที่มอจรอยอยู่ท่านหนึ่งเดวันท่านมีความรู้มากท่านก็ชอบโพสต์คําศัพท์ซึ่งจะมีในบาลีด้วยอืแล้วก็มีในภาษาไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นคําว่ากเกษตรอย่างเงี้ยนะคะออืมอ่าท่านก็บอกว่าท้าในประธานนุกรมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นภาษาบาลีนะคะจะแปลว่าเหมือนกับ ที่สำหรับการเกิดนะค ะ, oh. คะอ่าแล้วก็แปลว่าพัญญาได้แล้วว่าเมียของประทานโทษนะคะ mm hmm. แต่พอมาเป็นกเกษตรที่เป็นภาษาไทยในพจนานุกรมไทยเนี่ย mm hmm. ก็จะแปลไปในเชิงที่ว่าถ้าง้อ ง, งามได้แบบ mm hmm. แบบที่แปลในประธานุกรมแรกเนี่ยก็เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเมีย เด็กๆฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่แปลเหมือนเหมือนกันจะได้ไม่งงเพราะฉะนั้นจะมีสามีกับเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สามีกับพัญญาก็เป็นอ่าอันนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาไทยต้องให้ปราดภาษาไทยมาตอบเห็นว่ายกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาที่ว่าบาลีคําว่ายานเนี่ยเป็นความรู้ที่ยิ่งกว่าความรู้ที่เราเข้าใจนะคะคือเป็นความรู้ที่เป็นปัญญา ทนี้ตรงนี้ก็คือจริงๆเราจึงควรจะต้องมาศึกษาบทเพียนชนะที่ให้รัดกุมเนื่องราะว่าการสื่อสารบางทีมันก็จะมีตรงนี้แหละช่องที่มันจะลื่นออกไหลออกเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้สาคัญมากนะคะใช่ใช่สำคัญมากดิฉันเห็นบางครั้งมีการถกเถียงกันเนี่ยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่อ่าแปลไม่ตรงกันอืมเข้าใจความหมายโดยอัถะหรือโดยเพียญชนะปิดเพี้ยนกันไปค่ะก็ช่วยๆกันไปนะคะเราคิดว่า ถ้าช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ไม่ควรจะนํามาสู่การเป็นความขัดแย้งในเรื่องที่เป็นสิ่ง<ม>ที่ดีอย่างเช่นเรื่องของคําสอนของพระศ า, าสดาต่างๆเงยีบาลค่ะก็นมามสการขอพระคุณท่านพิบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในวันนี้ค่ะานมามสการค่ะเพื่อนทุกคนคะท่านพิบูล์ภิปุโนนี้ท่านก็จะมาแสดงธรรมให้กับพวกเราที่อยู่กรุงเทพหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะคือวันที่7 มีนาคมก็บอกล่วงหน้าสําหรับผู้ที่อาจจะคิดอยู่ตั้งนานแล้วแม่อยากเห็นหน้าพระรูปนี้จังเลยเป็นอย่างไรนาะฟังทำท่านมานานอยากทําบุญกับท่านจังเลยท่านก็จะมาฉันพัะตาหารเช้าเสร็จแล้วก็แสดงธรรมนะคะที่หอสมุดท่านพุทธทาสอินทปัญโยสวนจตุจักรค่ะสําหรับวันนี้รายการสรนสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงทางสถานีวิทยุครอบครวัวข่าว FM ฟเอร้ลาท่านฟังไปก่อนนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะผุ้ทวัตสวัสดีค่ะ